สสนิทัสนติกะหกสิบเก้าอุปาทานะทุกะ9ก้าสห้าสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัสนติกะเจ็ิบห้า กิเลสทุกกะ96สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ22สนิทสนะตุกกะ 83-99 ปิติทุกกะ97 สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปจิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมี21วาระละถึงอธิปติปัจจัยมี21วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระ98สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้รวยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้รวยมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียีสบเอดวาระอธิปฏิปัจจัยมียี่สิเอดวาระ และถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเอดวาระเกสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุตุปัจใจมียี่สิบเอดวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สเอดวาระหนึ่งรสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอรัมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงพวิคตะปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระร้อยหนึ่งสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอดวาระร้อยสอง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 ย่อเหตุปัจจัยมี21สิบวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบอดวาระร้อยสามสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีปีติอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เห็นได้เลิกกระทบได้ซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เลิกกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมียี่สิบเอดวาระร้อยสสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เลิกกระทบไม่ได้ซึ่งสหรคตด้วยปีติ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรคต ด, ด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรคต ด, ด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งม่ใช่ไม่สหรคต ด, ด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิเอดวาระร้อยห้าสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แลอกระทบไม่ได้ซึ่งสหรคตรด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรคตรด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขอาศาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาร ะ, ะจจาระ้รอยหสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสหรค โ, โดเบคา อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรูปโดโูเบขาเกิดขึ้นเพนราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรูปโดโูเบขาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งม่ใช่ไม่สหรูปดูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เฮตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระร้อยเจ็สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นกลามวจรอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเฮตุปัจจัยย่อเฮตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอธิปฏิปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระละถึง อัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นกามอวจร mm. เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อยแปด สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปาวจร เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียีสอดวาระอธิปติปัจจัยมียีอดวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียีสอดวาระร้อสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นนรูปาวจรอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นนรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่ hing, อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นนรูปาวจรอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นนรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอธิปฏิปัจจัยมียี่สิบอ็ดวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมียีอดวาระร้อยสสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งนับหนึ่งในวัตทุข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่นับหนึ่งในวัตทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมียีสิบเดวาระอธิปฏิปัจจัยมียี่สิเอดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอดวาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่นับหนึ่งในงวัตถุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่นับหนึ่งในงวัตถุเกิเดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระร้อสิอสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากเวตทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่ยอเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัททุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอาิปฏิปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระร้อยสิบสองสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่แน่นอนโดยาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่แน่นอนโดยาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมียี่สิบเอดวาระอธิปฏิปัปจจัยมียี่สิบเอดวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระร้อยสิบสาม สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซ um si ึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิอ็ดวาระอธิตติปัจจัยมียี่สิอ็ดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า อาศัสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองชนิทัสนตึกะหนึ่งร้อยารณทุกะร้อยสิบสี่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้จัดร้องไห้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 เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีเจดวาระยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สเอดวาระอธิปฏิปัจจัยมีย1สิเอดวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีย1สิดวาระพื่อขยายสหชาตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุถูปัจจัยและอรมณปัจจัยร้อสหสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุตปัจจัยมีเจดวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุตัปัจจัยมีเจดวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมีเจดวาระร้อสสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เป็นปัจจัยก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้โดยระมณะปัจจัย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 ย่อเหตุปัจจัยมียีสเอดวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมียี่วาระอานันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงสหชาตะปัจจัยมียี่ดวาระนิสยาปัจจัยมียีเอ็ดวาระอุปาณิสยาปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมียีเอ็ดวาระกรรมะปัจจัยมี21วาระอหารัปัจจัยมี21ดวาระ อินทริยะปัจใจมียี่สอดวาระชานปัจจัยมี่สเอ็ดวาระมัคคะปัจใจมียี่สดวาระวิปยุตตะปัจใจมียี่สดวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สดวาระพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญิยะอนุโลมปัจนิยะและปัจญิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วธรรมปัจญิยานุโลม ตึกะทุกะปทานจบพระอภิธรรมปิดกธรรมปัจญญานุโลมดตึกะเตึกะปทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น หนอุสลตึกะหนึ่งเวทนาตึกะหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งสัมปยุตธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทานาเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีสองวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปะยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยกฤตซึ่งไม่สัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิยกฤต ซ no. ึ่งไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอกพยากฤตซึ่งไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอกพยากฤตซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล ซึ่งไม่สัมพยุด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งาวาระย่อเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมี9ก้าวาระสองสภาวธรรมที่เป็ น, นกุศลซึ่งสัมพยุด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมพยุด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งาวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกพยากฤิตซึ่งไม่สัมพยุดด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุดด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมพยุดด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 3. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุตด้วยอุทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมพยุตด้วยอุทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนพยากฤตซึ่งสัมพยุตด้วยอุทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมพยุตด้วยอุทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมพยุด้วยทุกขโมกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุดด้วยทุกขโมกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมพยุดด้วยทุกขโมุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุดด้วยทุกขโมุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมพยุดด้วยทุกขโมกขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัปยากฤตซึ่งไม่สัมพยุดด้วยทุกขโมกขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุดด้วยทุกขโมกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมพยุดด้วยทุกขโมกขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสองวาระ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤต www. ซึ่งสัมพยุ ด, ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นภูษณ์และที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพยุ ด, ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดข <neighbourhood s. S 2> ึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมี9้าวาระละถึงวิตากรปัจจัยมีสวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ หนึ่งปุสละถึกะสองวิปากถึกะสสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุตุปัจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุท Aí, ี <t <t ่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็น like เหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล และไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจมีสองวาระยอ่อเหตุุปัจใจมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีหกวาระหสภาวธรรมที่เป็นอัิญากฤิซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปั จ, จัยยอ่อ เทตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหกวาระหนึ่งกุศลติกะสอุปาทินาติกะ 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกรํมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดย al, อรมณปัจจัยมีหกวาระยอ่ออรมณปัจจัยมีหกวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัยมีหกวาระอุปาเนสียปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณปัจจัยมีหกวาระละถึงอายตเวนะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึ ง, วจจวถงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระหนึ่งกุศลติกะสชังกิเลาติกะ8 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเฉพาะอกุศลมีสามวาระย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส อาศัยสภาวธรรม ท, ที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทำไม่เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัปจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรม ท, ที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำไม่เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทางไม่เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระละถึงอาศัยวัณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหกวาระหนึ่งปุชลติกะ หวิตกะตึกะเกสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีทั้งวิตกและวิจาร์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจ ย, ยอ่อเหตุตุปปัจใจมีเก้า ว, วาระละถึงวิปากะปัจใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเก้า ว, วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นพระเหตุตุปใ จ, จยย่อเหตุตุปัจมีสิบสองวาระอรหันต์ปัจจัยมีสามวาร ะ, ร ะ, ะ, จจาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสองวาระหนึ่งปุชลตเกระหปีติทถระสี่สภาวธรรมที่เป็นแนวกุศลซึ่งสหรคต ด, ด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล ซึ่งไม่สะหรโคด้วยปีติเกิดขึ้นเพนราะเหตุปัจจยัยย่อเหตุปัจจยัยมีก้าววาระละถึงวิปากปปจจยัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจยัยมีก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งหรัรคคด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคคด้วยสุขเกิดขึ้นเ <linkage S 2> ah, พราะ เ, ะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกาววาระละถึง วิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9ก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคโดเปขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคโดเปขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระ 1. กุศลตึกะเจทัศนตึกะ 11. ส1อสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาจายสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้น เ, นเพราะเหตุปัจจัยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม อาศ enfin like <S im |id|>. ัยสภาวธรรมที mm ่ไ hmm. ม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ เห hey, ตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งปุชละตึกะแปทัศนะเ hey, หตุตึกะสิบสองสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเ hey, หตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจ th e ah bon ัยม th e ah bon ีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีสามวาระอรมณปัจัยมีสามวาร ะ, ร ะ, าาระและถึงสหชาตปัตจใจมี9วาระและถึงนิสยปัจัยมี9้าวาระ ละถึงกรรมะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงมรรคะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหนึ่งกุศลติกะเกอาจยคามิติกะ 13. สภวาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิด mm hmm. ขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤต ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยจย่ยอเหตุตุปั จ, จมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งอุชลติกะสิสเจขติกะสิสสี่ สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นของเสคะบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสคาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงอาเสวณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งเป็นของอเสิเวุคคล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของอเสข่าบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นหนพยากฤึซึ่งไม่เป็นของเสข่าบุคคลและอเสข่าบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นของเสข่าบุคคลและอเสข่าบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เทตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ